สจตุถวักหนึ่งขิหิสารหาติกาคาถาส3สว่าด้วยคฤหัสเป็นพระอรหันต์สสั ก, กวาทีคฤหัสเป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมประวาทีใช่สั ก, กวาทีขิหิสังโย์ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีขิหิตังยศของพระอารหันต์ไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากขีหิตังยศของพระอารหันต์ไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าคฤหัสเป็นพระอารหันต์ได้สกวาทีคฤหัสเป็นพระอารหันต์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีขิหิตังยศพระอารหันต์ได้แล้วตัดรากถอนโคน เหมือนต้นตาลที่ถูกตัด ร, รากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ใช่ไหมปรวัวทีใช่ศักวาทีหากขี่สังโยตพระอรหันตได้แล้วตัด ร, รากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัด ร, รากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าคฤหัสถ์เป็นพระอรหันต์ได้สกวาทีคฤหัสถ์เป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมประวาทีใช่ักวาทีคฤหัสถ์บางคนละกิหิตสังโยชนยังไม่ได้แต่ทําที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่มีักวาทีหากคฤหัสถ์บางคนละกิหิตสังโยชนยังไม่ได้ แต่ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าครหัตเป็นพระอรหันต์ได้สกวาทีครหัตเป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมประวาทีใช่ักวาธีพระสูตรที่ว่าวชาโคตรระปริภาชกได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมครหัต บ, บางคนผู้ยังละขีหิสังโยชน์ไม่ได้ หลังจากตายแล้วทำที่สุดแห่งทุกได้มีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสรตอบว่าวัชชาคฤหัสถ์ผู้ยังละขิหิสังโยชนยังไม่ได้หลังจากตายแล้วย่อมทาที่สุดแห่งทุกได้ไม่มีเลยมีอยู่จริงมิเชื่หรือประวาทีใช่ส ก, กวาที ดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าคราหตเป็นพระอ ร, ะห ร, รหันต์ได้สกวาทีคราหตเป็นพระอระหันต์ได้ใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีพระอระหันตพึงเสพเมถุนธรรมพึงให้เมตุนธรรมเกิดขึ้นพึงอยู่ครอบครองที่นอนตึงยัดเยียดติบุตรพึงใช้ภากาศสิกพัทและจุรณะจันท พึงทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปลพึงยินดีทองและเงินพึงรับแพะแกะไก่สุกรช้างวัวม้าลานกกระทานนกคุ่มหางนกยูงพึงทรงเครื่องประดับมวยผมที่มีรัดเกล้าสีเหลืองทรงผ้าขาวมีชายยาวเป็นผู้ครองเรือนจนตลอดชีวิตใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าคฤหัสเป็นพระอารหันต์ได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทียะสักุลบุตรอุตติยคะะหบดีเสตุมานพบรรลุอรหัตผลขณะมีเพศคฤหัสมิเชืหรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากยะสะกุลบุตรอุตติยคหบดีเสตุมานพ บรรลุอรหัตผลขณะมีเพศคฤหัตดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าคฤหัตเป็นพระอรหันต์ได้ขีหิตสหาอารหาติกะกถาจบสองอุ ป, ปัติกะถาสามสิบสี่ว่าด้วยการปฏิสนธิสามร้อยแปดสิบแสกวาที บุคคลเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิ jeans, sisters, ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นพระโสดาบันพร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นพระสกทาคามีพร้อมกับ การปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรวาทีไม hmm. ่ควรกล่าวอย่างนั like ้นสกาวาทีเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีเป็นพระอนาคามีพร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีเป็นพระโสดาบันพร้อมกับการปฏิสนธิไม่ได้ใช่ไหม ประวาทีใช่สกวาทีหากเป็นพระโสดาบันพร้อมกับการปฏิสนธิไม่ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้สกวาทีเป็นพระสกทาคามีพร้อมกับการปฏิสนธิไม่ได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีหากเป็นพระสกทาคามีพร้อมกับการปฏิสนธิไม่ได้ ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเป็นพระอาราหันต์พร้อมกับการปฏิสนทิได้สักวาทีเป็นพระอนาคามีพร้อมกับการปฏิสนทิไม่ได้ใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีหากเป็นพระอนาคามีพร้อมกับการปฏิสนทิไม่ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนทิได้ส89ด สกวาทีเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีราษารีบุตรเทวระเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระมหาโมคัลานะเทวระพระมหากัสปะเทวระพระมหากัจจายนะเทวระ พระมหาโกติกะเทวะพระมหาปันทกะเทวะเป็นพระอระหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีพระสารีบุตรเตวะไม่ได้เป็นพระอระหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที หากระษารีบุตรเถระไม่ได้เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้สกาวาทีพระมหามโมคคัลานะเถระพระมหากัสปะเถระพระมหากัจจายนะเถร ะ, พ, ะ ρα, พระมหาโกติกะเถระพระมหาปันญทะเถระไม่ได้เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิใช่ไหม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 บุคคลทำให้แจ้งอรหัตนตผลได้ด้วยปฏิสนธิจิตที่เป็นโลกิยะยังมีอาสวะเป็นอารมณ์ของสังกิเลตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นพระอรหันตพร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปฏิสนธิจิตเป็นเหตุนำออกจากวัตถทุกข์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 ปรวาทีใช่สกวาทีหากปฏิสนธิจิตไม่เป็นเหตุนําสัตว์ออกจากวัตทุลไม่ใหถึงความสิ้นกิเลสไม่ใหถึงความตรัสรู้ไม่ใหถึงนิพพานเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังกิเลสท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้จสกวาทีเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหม ประวาทีใช่ักวาทีบุคคลละราคะโทสะโมหะอนตุตตะปะได้ด้วยปฏิสนธิจิตใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมประวาทีใช่ักวาทีปฏิสนธิจิตเป็นมรรคเป็นสติปัฏฐานเป็นสมมัิปัฏฐานเป็นนิติบาต เป็นอินทรีเป็นพระเป็นโพชงได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นพระอาหารหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลกําหนดรู้ทุกละสมุทยัยทําให้แจ้งนิโรธเจริญมักด้วยปฏิสนธิจิตได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกาวาทีเป็นพระอาหารหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีจุติจิตเป็นมรคจิตปฏิสนธิจิตเป็นพระจิตได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอุปติกถาจบ 3. อนาสวะกดา35ห ว่าด้วยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ391รกสกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงของพระอรหันต์เป็นมัคผลนิพพานโสดาปฏิมัคโสดาปฏิผลสกทาคามิมัคสกทาคามิผลอนาคามิมัค อนาคามิผลอรหัตมักอรหัตตผลสติปัฐานสมปทานอิทธิบาทอินทรียภละโพชฌงใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที จักสุของพระอรห OH ันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมปร ว, รวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจักสุของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจักสุของพระอรหันต์เป็นมักผลนิพพานโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลโหตชงใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสตคาณะจิวหากายของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกายของพระอรหันต์เป็นมัจผลนิพพานโสดาปติมัจ โซดาปฏิพันเป็นต้นละโทชชงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายของพระอาหารหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกายของพระอาหารหันต์ยังถูกยกย่องและถูกคมถูกตัดและทำลายเป็นของทั่วไปแก่ฝูงกาแรงและเ ย, ยว่ใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะยังถูกยกย่องและถูกคมยังถูกตัดและทำลายเป็นของทกักวไปแก่ฝูงกาแรงและเหี่ยวใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทียาพิษสัตราไฟพึงกำกรายเข้าไปในกายของพระอาหารหันต์ได้ใช่ไหม ประวาทีใช่สกวาทียาพิษสตราไฟพึ่งกล้ำกรายเข้าไปในสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายของพระอรหันยังถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำคือคือคาเครื่องจองจำคือเชือกเครื่องจ อ, อ, องจำคือโซ่ตรวนเครื่องจองจาคือบ้าน เครื่องจองจำคือนิคมเครื่องจองจำคือนครเครื่องจองจำคือชนบทด้วยการจองจำมีการผูกที่คอเป็นที่ห้าใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะยังถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำคือคื่อคาเครื่องจองจำคือเชื่อกเครื่องจองจำคือโซ่ตรวนเครื่องจองจำคือบ้าน เครื่องจองจาคือนิคมเครื่องจองจาคือนครเครื่องจองจาคือชนบทด้วยการจองจามีการผูกที่คอเป็นที่ห้าใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 392. สสกวาทีหากพระอรหันต์ให้จีวรแก่ปุถุชนจีวร น, นั้นไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะแล้วเป็นอารมณ์ของอาสวะได้ใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจีวรนั้นไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะแล้วเป็นอารมณ์ของอาสวะได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีจีวรที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะกับจีวรที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอันเดียวกันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที จีวรที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะกับจีวรที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมักไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะแล้วเป็นอารมณ์ของอาสวะได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผลสติปฐานสมปทานอิทธิบาทอินทร์ศีพละโพชฌง ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีหากพระอรหันต์ให้บินธบาศเสนาสนะขีฬานปัจจัยเภสัชบริขารแก่ปุถุชนขีฬานปัจจัยเพสัชบริขารนั้นไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะแล้วเป็นอารมณ์ของอาสวะได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะแล้วเป็นอารมณ์ของอาสวะได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีหากปุตุชนถวายจีวรแก่พระอรหันต์จีวรนั้นเป็นอารมณ์ของอาสวะแล้วไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที จีวรนั้นเป็นอารมณ์ของอาสวะแล้วไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีสิ่งที่เป็นอารมณ์ของอาสวะกับจีวรที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีสิ่งที่เป็นอารมณ์ของอาสวะกับจีวรที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอันเดียวกันใช่ไหม ปรา ว, าวาทีใช่ักกวาทีราคะเป็นอารมณ์ของอาสวะแล้วไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะได้ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกวาทีโทสะโมหะอนุตตะปะเป็นอารมณ์ของอาสวะแล้วไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักกวาที หากุตุชนถวายบินธบาตเสนาสนะคีฬานปัจจัยเพสัชบริขารแก่พระอรหันต์คีฬานปัจจัยเพสัชบริขารนั้นเป็นอารมณ์ของอาสวะแล้วไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะได้ใช่ไหมปรวาทีให้ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีคีฬานปัจจัยเพสัชบริขารนั้นเป็นอารมณ์ของอาสวะแล้วไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะได้ใช่ไหม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 ราคาเป็นอารมณ์ของอาสวะแล้วไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีโทสะโมหะอนโตตปะเป็นอารมณ์ของอาสวะแล้วไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่า สภาวธรรมทั้งปวงของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระอรหันต์เป็นผู้ไม่มีอาสวะมิเชื่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากพระอรหันต์เป็นผู้ไม่มีอาสวะดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมทั้งปวงของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอนาสวะกถา จบสี่สมณาคาถาสามสว่าด้วยผู้บริบูรณ์393รกสกวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยผลสี่ใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยผัสสะสีเวทนาสีสัญญาสเจตนาสีจิตสีศรัทธาสีวิริยะสสติส สมาธิสปัญญาสีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยผลสามใช่ไหมประวา่าทีใช่สกาวาทีพระอนาคามีบริบูสสญญาารณ์รราารด้วยผลสองใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีพระสกทาคามีบริบูรณ์ด้วยภัสสะสองปัญญาสองใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์เป็นประโสดาบันผู้สัตตกัดตุ ป, ประมะโกลังโกละ เอกพีช right? ีใช right? yes. yes. ่ไหมปรวาทีไม so ่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหัน <f> ต <damned> ์บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์เป็นพระสกทาคามีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีพระอระหันต์เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีอุปหัจจะปรินิพพายีอสังขารปรินิพพายีสสังขารปรินิพพายีอุทธังโสโตโอกติทคามีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที พระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิพันธใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอนาคามีเป็นพระโสดาบันผู้สตัตตกขตุประมะโกลังโกละเอกพีชีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธีพระอนาคามีเป็นพระสกทาคามีใช่ไหมพระวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีพระสกทาคามีบริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิพลใช่ไหมพระวาทีใช่สกวาธีพระสกทาคามีเป็นพระโสดาบันผู้สัตตกขตุปรมะโกลังโกละเอกพีชีใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามสกวาทีผู้บริบูรณ์ได้โสดาปติผลท่านยอมรับว่าเป็นพระโสดาบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยโสดาปติผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์กับพระโสดาบัน เป็นองค์เดียวกันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผู้บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลท่านยอมรับว่าเป็นพระสกทาคามีใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที พระอาหารหันต์กับพระสกทาคามีเป็นองค์เดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผู้บริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลท่านยอมรับว่าเป็นพระอนาคามีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอาหารหันต์บริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที พระอระหันต์กับพระอนาคามีเป็นองค์เดียวกันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิพันธท่านยอมรับว่าเป็นพระโสดาบันใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิพันธใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที พระอนาคามีกับพระโสดาบันเป็นองเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผู้บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลท่านยอมรับว่าเป็นพระสกทาคามีใช่ไหมปร ว, รวาทีใช่สกาวาทีพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีพระอนาคามีกับพระสกทาคามีเป็นองค์เดียวกันใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิพันธท่านยอมรับว่าเป็นพระโสดาบันใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีพระสกทาคามีบริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิพันธใช่ไหมปราวาทีใช่ สกวาธีพระสกทาคามีกับพระโสดาบันเป็นองค์เดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น395รกสกวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์ไดโสดาปฏิพันธใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ร่วงเลยโสดาปฏิพันธไปแล้วมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาที หากพระอาหารหันต์ร่วงเลยโสดาปฏิผลไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอาหารหันต์บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลสักกวาทีพระอาหารหันต์ร่วงเลยโสดาปฏิผลไปแล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลนั้นใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาทีพระอาหารหันต์ร่วงเลยโสดาปติมักไปแล้วร่วงเลยส ก, กายทิทิวิจิกิจฉาศีลปพิปปรามาศราคะโทสะโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายได้แล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยสภาวะธรรมมีส ก, กายทิทิเป็นต้นนั้นใช่ไหมประวาธิไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที พระอรหันต์บรบ hehe, ิบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ร <una> <ra> ่วงเลยสกทาคามิผลไปแล้วไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต์ร่วงเลยสกทาคามิผลไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลสกวาที พระ okay, รอรหันต์ร่วงเลยสกทาคามิผลไปแล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ร่วงเลยสกทาคามักไปแล้วร่วงเลยกามราคะอย่างหยาบพ ย, ยาบาทอย่างหยาบได้แล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยกามราคะและพยาบาทนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีพระอรหันต์ล่วงเลยอนาคา ม, าคาม işte ิผลไปแล้วไม่ใช่หรือปรวาทีใช่ักวาทีหากพระอรหันต์ล่วงเลยอนาคามิผลไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลสกวาที พระอรหันต์ล่วงเลยอนาคามิผลไปแล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลนั้นใช่ไหมประวาตีใช่สกวาทีพระอรหันต์ล่วงเลยอนาคามิมักไปแล้วล่วงเลยกามราคะอย่างละเอียดพยาบาทอย่างละเอียดได้แล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยการมราคะและพยาบาทนั้นใช่ไหมประวาตีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที พระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยโสดาปติผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอนาคามีล่วงเลยโสดาปติผลไปแล้วไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระอนาคามีล่วงเลยโสดาปติผลไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยโสดาปติลนสกวาที พระอนาคามีล่วงเลยโสดาปติผลไปแล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยโสดาปติผลนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอนาคามีล่วงเลยโสดาปติมร์ไปแล้วล่วงเลยสกายทิฏฐิล่วงเลยโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายได้แล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยสภาวธรรมมีสกายทิฏฐิเป็นต้นนั้นใช่ไหม ปรว า, าทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลใช่ไหมป ร, าารวาทีใช่สกวาทีพระอนาคามีร่วงเลยองกทาคามิผลไปแล้วไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระอนาคามีร่วงเลยองสกทาคามิผลไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า พระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลสกวาทีพระอนาคามีร่วงเลยสกทาคามิผลไปแล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอนาคามีร่วงเลยสกทาคามิมักไปแล้วร่วงเลยกามาราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบได้แล้ว ชือว่าบริบูรณ์ด้วยการมาราคะและพยาบาทนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสกทาคามีบริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีพระสกทาคามีล่วงเลยโสดาปฏิผลไปแล้วไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาที หากพระสกทาคามีล่วงเลยโสดาปฏิผลไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระสกทาคามีบริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลสกวาทีพระสกทาคามีล่วงเลยโสดาปฏิผลไปแล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลนั้นใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระสกทาคามีล่วงเลยโสดาปฏิมักไปแล้วล่วงเลยส ก, กายทิฐิ ล่วงเลยโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายได้แล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยสภาวธรรมมีสกายทิฐิเป็นต้นนั้นใช่ไหมประวาทิไม่ควรกล่าวอย่างนั้น396ประวาทิท่านไม่ยอมรับว่าพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยผลสี่ใช่ไหมสกวาธีใช่ประวาทิ พระอรหันต์ได้ผลสี่แล้วยังไม่เสื่อมจากผลสี่นั้นมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากพระอรหันต์ได้ผลสี่แล้วยังไม่เสื่อมจากผลสี่นั้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยผลสี่ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยผลสามใช่ไหมสกวาทีใช่ ปรวาทีพระอนาคามีได้ผลสามแล้วยังไม่เสื่อมจากผลสามนั้นมกกีใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากพระอนาคามีได้ผลสามแล้วยังไม่เสื่อมจากผลสามนั้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยผลสามปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่า พระสกทาคามีบริบูรณ์ด้วยผลสองใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสกทาคามีได้ผลสองแล้วยังไม่เสื่อมจากผลสองนั้นม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีปรวาทีหากพระสกทาคามีได้ผลสองแล้วยังไม่เสื่อมจากผลสองนั้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า พระสกทาคามีบริบ mm ูรณ์ด้วยผลสองสกวาทีพระอรหันได้ผลสี่ tamam แล้วยังไม่เสื่อมจากผลสี่นั้นดังนั้นจึงชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยผลสี่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันได้มรสีแล้วยังไม่เสื่อมจากมรสีนั้นดังนั้นจึงชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยมรสีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีพระอนาคามีได้ผลสามแล้วยังไม่เสื่อมจากผลสามนั้นดังนั้นจึงชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยผลสามใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาธีพระอนาคามีได้มรสามแล้วยังไม่เสื่อมจากมรสามนั้นดังนั้นจึงชื่อว่าบริบูรณ์ได้มรสามใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที พระสกทาคามีได้ผลสองแล้วยังไม่เสื่อมจากผลสองนั้นดังนั้นจึงชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยผลสองใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระสกทาคามีได้มักสองแล้วยังไม่เสือ่อมจากมักสองนั้นดังนั้นจึงชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยมักสองใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสมณาคตกถาจบ หาอุเบกขาสมณาคตากถา37ว่าด้วยผู้บริบูรณ์ด้วยอุเบกขา397ร้ก จ, จกวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยอุเบกขาหใช่ไหมประวาทีใช่ักกวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยผัสสะหเวทนาหสัญญาหปัญญาหกใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยอุเบกขาหกใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์เห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโพธพะทางกายรู้ธรรมารมทางใจเมื่อรู้ธรรมารมทางใจจึงเห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูก ลิมรสทางลิ้นถูกต้องโพธะพระทางกายใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยอุเบขาหกใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์มั่นคงด้วยอุเบขาหกเนืองเนืองสม่ำเสมอไม่ระคนกันอุเบขาหกปรากฏใช่ไหมประวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยอุเบกขาหกใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีพระอรหันต์มีอุเบกขาหกไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ประวาทีหากพระอรหันต์มีอุเบกขาหกดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระอรหันต์ บริบด้วยอุเบกขาหอุเบกขาสมัมมนาคตะกถาจบ 6. โพธิยาพุทโทธที่กถามเว่าด้วยชื่อว่าว่าไดชาาญญาา้ชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้สามร้้าสิบกวาทีชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ใช่ไหมประวาที ใช่สกวาทีเมื่อปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ดับไปหายไประงับไปแล้วไม่จัดว่าเป็นพุทธใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีชื่อว่าพุทธเพราะปัญญาเป็นเครื่องต ร, รัส <cade fishing. S 1> รู้ใช่ไหมประวาทีใช่ักว า, าทีชื่อว่าพุทธเพราะปัญญาเป็นเครื่องต ร, รัสรู้ที่เป็นอดีตใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีชื่อว่าพุทธเพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นอดีตใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุคคลทากิจที่ควรทำด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ได้โดยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นอดีตนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที บุคคลทำกิจที่ควรทำด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ที่เป็นอดีตนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกำหนดรู้ทุกข์ละสมุ ท, ทยัยทำให้แจ้งนิโรธเจริญมักด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัดสรู้ที่เป็นอดีตนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีชื่อว่าพุท ธ, ธ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นอนาคตใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นอนาคตใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาธีทำกิจที่ควรทําด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัตตรู้ได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัตตรู้ที่เป็นอนาคตนั้นใช่ไหมปราวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีทำกิจที่ควรทําด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัตตรู้ได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัตตรู้ที่เป็นอนาคตนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีกําหนดรู้ทุก เจริญมักด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัตรู้ที่เป็นอนาคตนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัตรู้ที่เป็นปัจจุบันทํากิจที่ควรทําด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัตรู้ได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัตรู้ที่เป็นปัจจุบันนั้นใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที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 เจริญมักด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ที่เป็นปัจจุบันนั้นใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีชื่อว่าพุทธเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ที่เป็นอดีตกําหนดรู้ทุกข์เจริญมักด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นอดีตนั้นใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักวาทีชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นปัจจุบันทำกิจที่ควรทำด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นปัจจุบันนั้นใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นอนาคตทำกิจที่ควรทำด้วยปัญญา เป็นเครื่องตัตตรู้ได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัตตรู้ที่เป็นอนาคตนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัตตรู้ที่เป็นปัจจุบันกําหนดรู้ทุกข์เจริญมรดุด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัตตรู้ที่เป็นปัจจุบันนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชื่อว่าพุทธะ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 เจร er no ิญม no so ักด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นปัจจุบันนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น399ชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้สามอย่างใช่ไหมปรวาที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 ประวาทีท่านไม่ยอมรับว่าชื่อว่าพุท ธ, ธ, ธะเพราะปัญญาเป็นเครื่อง ต, ตรัสรู้ใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีชื่อว่าพุทธะเพราะได้ปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้มิใช่หรือสกวาทีใช่ประวาทีหากชื่อว่าพุทธะเพราะได้ปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า ชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้สกวาทีชื่อว่าพุทธะเพราะได้ปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีชื่อว่าโพธิเพราะได้ปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น โพธิยาพุทโทธทิกถาจบ 7. ลักษณะกถา39ว่าด้วยลักษณะ400ร้อกวาทีผู้บริบูรณ์ด้วยพระลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีผู้บริบูรณ์ด้วยพระลักษณะบางส่วนเป็นพระโพธิสัตว์บางส่วนใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีผู้บริบูรณ์ด้วยพระลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีผู้บริบูรณ์ด้วยพระลักษณะสามส่วนเป็นพระโพธิสัตว์สามส่วนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผู้บริบูรณ์ด้วยพระลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมปรวาที ใชกาวาทีผ yes. yes. ู yes. No. Yes. No. Yes. You know ้บ well, ร mm ิบูรณ์ด้วยพัลลักษณะครึ่งหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ครึ่งหนึ่งใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักาวาทีผู้บริบูรณ์ด้วยพัลลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมประวาทีใช่ักาวาทีพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยพัลลักษณะพระเจ้าจักรพรรดิ ก็เป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยพระลักษณะพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุรพภัพประโยคบุรภัรภรภจาริยาการบอกกล่าวธรรม การแสดงธรรมของพระโพธิสัตว์เป็นเช่นไรบูรภพภัปรโยคบุรพัจริยการบอกกล่าวธรรมการแสดงธรรมของพระเจ้าจักรพัทก็เป็นเช่นนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสี่อยส ก, กวาทีเมื่อพระโพธิสัตว์ประทูดมูเทวดารับก่อนมูมนุษย์รับภายหลังฉันใด เมื่อพระเจ้าจักรพรรดิประสูตรหมู่เทวดารับก่อนหมู่มนุษย์รับภายหลังฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสั ก, กวาทีเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูตรเทพบุตรสี่องค์รับพระโพธิสัตว์นั้นแล้ววางไว้ตรงพระพักของพระมารดาแล้วทูลว่าข้าแต่พระเทวีขอพระองค์จงพอพระไทัยเถิด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 สกวาทีเมื่อพระโพธิสัตว์ประู寿ทานน้าทั้งสองคือทานน้าเย็นและทานน้าร้อนไหลลงจากอากาศชนทั้งหลายสงพระโพธิสัตว์และประมารดาฉันใดเมื่อพระเจ้าจากักรพรรดิประสูต寿ทานน้าทั้งสองคือทานน้าเย็นและทานน้าร้อนไหลลงจากอากาศชนทั้งหลายสงพระเจ้าจากักรพรรดิและประมารดาฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโพธิสัตว์พอประสูตแล้วเดี๋ยวนั้นประทับยืนด้วยพระบาททั้งสองอันปราบเรียบบายพระพักสู่ทิศเหนือดำเนินไปได้เจ็ดเก้ามีฉัดขาวกั้นตามไปทรงแลดูทิศทั้งปวงและเปลง่งอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศในโลก เราเป็นใหญ่ในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐในโลกนี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกฉันใดพระเจ้าจักรพรรดิพ อ, พอประสูตรแล้วเดี๋ยวนั้นประทับยืนด้วยพระบาททั้งสองอันราบเรียบบายพระพักสู่ทิศเหนือดำเนินไปได้เจ็ดก้ามีฉัดขาวกั้นตามไปทรงแลดูทิศทั้งปวง และเปล่งอาสภิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นใหญ่ในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐในโลกนี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหม่ไม่มีอีกฉะนั้นเหมือนกันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูตรย่อมปรากฏแสตงสตว่างรัตมีอันเ จ, จิดจ้า แผ่นดินไหวอย่างสถานสะเทือนฉันใดเมื่อพระเจ้าจากักรพรรดิประสูตรก็ย่อมปรากฏแสงสว่างพระศมีอันเจิดจ้าแผ่นดินไหวอย่างสถานสะเทือนฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีประกายตามปกติของพระโพธิสัตว์ฉายพระรัศมีออกไปวาหนึ่งโดยรอบฉันใด ประกายตามปกติของพระเจ้าจากักรพรรดิก็ฉายพระรัศมีออกไปวาหนึ่งโดยรอบฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีพระโพธิสัตว์ทรงมหาสุบินฉันใดพระเจ้าจากักรพรรดิก็ทรงมหาสุบินฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น40่สอง ประวาทีท่านไม่ ย, ยอมรับว่าผู้บริบูรณ์ด้วยพระลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมสกาวาทีใช่ประวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะ32ประการมีคติเพียงสองอย่างเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือหนึ่ง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 6. กขาบาดีแก้ว 7. ปรินายกแก้วมีพระราชโอรสมากกว่าหนึ่งพันองค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชสัตรูได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาทญยาไม่ต้องใช้ศัตราครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขตส ถ้าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอระหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกมีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาธีใช่ปรวาธีดังนั้นผู้บริบูรณ์ด้วยพระลักษณะจึงเป็นพระโพธิสัตว์ได้ลัคณกากถาจบ นิยาโมโอกันติกถา40สว่าด้วยการย่งลงสู่นิยามตี่รสา ก, กวาทีพระโพธิสัตว์ย่งลงสู่นิยามประพฤติพรหมจรรย์แล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัตสปะใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาที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 เป็นสาวกแล้วจึงเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระวาทีใช่สกวาทีเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยการรับฟังใช่ไหมพระวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยการรับฟังใช่ไหมพระวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระสยามภูไม่ใช่หรือพระวาที ใช่จักาวาทีหากพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระสยามภูท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยการรับฟังจักาวาทีพระโพธิสัตว์ยังลงสู่นิยามประพฤติปรมาจันแล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสตปะใช่ไหมประวาทีใช่จักาวาที พระผู้มีพระภาคตรัสรู้สามัญญผลเพียงสามเท่านั้นนักควงไม้โพใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสรู้สามัญญผลสี่นักควงไม้โพใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีหากพระผู้มีพระภาคตรัสรู้สามัญญผลสี่นักว่องไม้โพท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า พระโพธิงงสัต ว, ว์ยังลงสู่นิยามประพฤติพรมจรรย์แล้วในศาสนาของพระผู้มีพระพาพราภาคพระนามว่ากัตสปะ404สกวาทีพระโพธิสัตว์ยังลงสู่นิยามประพฤติพรมจรรย์แล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัตสปะใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที พระโพธิสัตว์ได้ทำทุกกรกิริยาหมายถึงการทำความเพียนที่คนทั่วไปทำได้ยากใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะคือโสดาปติมัคจึงทำทุกขกรกิริยาใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญตบะอย่างอื่น และนับถือศาสนาอื่นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมได้ทัศนะจะพึงนับถือศาสนาอื่นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีท่านพระอานอน์ยังลงสู่นิยามประพฤติพรหมจรรย์แล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคดังนั้นท่านพระอานอน์จึงเป็นจาวกของพระผู้มีพระภาคใช่ไหม ประวาทีใช่สกวาทีพระโพธิสัตว์อย่างลงสู่นิยามประพฤติพรมาจารย์แล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะดังนั้นพระโพธิสัตว์จึงเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีท่านจิตตะคหั บ, บดีท่านหัตถกะชาวเมืองอารวีอย่างลงสู่นิยาม ประพฤติประมาจันแล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคดังนั้นจิตตะคหันปฎีท่านหัตถกะชาวเมืองอารวีจึงเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีพระโพธิสัตว์ยังลงสู่นิยามประพฤติประมาจันแล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัตตะปะดังนั้นพระโพธิสัตว์จึงเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค พระนามว่ากัสตปะใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโพธิสัตว์ยังลงสู่นิยามประพฤติปรมจันแล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัตตปะแต่ไม่ได้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัตตปะใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีท่านพระอานนงยังลงสู่นิยาม ประพฤติพรหมอาจารย์แล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคแต่ไม่ได้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคใช่ไหมประวาทีไม่กวรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโพธิสัตว์อย่างลงสู่นิยามประพฤติรรพรหมอาจารย์แล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสตปะแต่ไม่ได้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสตปะใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาทีท่านจิตตาขะหบดีท่านหัตถกะชาเมืองอารวียังลงสูนิยามประพฤติพรหมจรรย์แล้วในศาตนาของพระผู้มีพระภาคแต่ไม่ได้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคใช่ไหมระวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโพธิสัตว์ยังลงสูนิยาม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 ประวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระโพธิสัตว์ย่างลงสู่นิยามประพฤติพรมจรรย์แล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสะปะใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอานน์เราได้ประพฤติพรหมจรรย์แล้วในพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัตะปะเพื่อความตรัสรู้ในอนาคต มีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ประวาทีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระโพธิสัตว์อย่างลงสู่นิยามประพฤติพรหมจรรย์แล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัตสปะสกวาทีพระโพธิสัตว์อย่างลงสู่นิยามประพฤติพรมจรรย์แล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัตสปะใช่ไหม ปราวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าหมายถึงพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเราเป็นผู้ครอบงมธรรมทั้งปวงรู้ธรรมทั้งปวงไม่ได้แปดเพื่อนในธรรมทั้งปวงละธรรมทั้งปวงได้สิ้นเชิงหลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาตรัสรู้เองแล้วจะพึงอ้างใครเล่า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 แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสะดับมาก่อนว่าทุกข Ariyasat นี้ควรกําหนดรู้ภิกษุทั้งหลายจะตุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสะดับมาก่อนว่าทุกข Ariyasat นี้เราได้กําหนดรู้แล้วภิกษุทั้งหลายจะตุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลาย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 ทุกขสมุทัยอริยสัจเราละได้แล้วภิกษุทั้งหลายจะสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยตรัสดับมาก่อนว่านี้ทุกขนิโรธอริยสัจภิกษุทั้งหลายจะสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแลในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยตรัสดับมาก่อนว่าทุกขนิโรธอริยสัจนี้ควรทาให้แจ้ง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 ทุกขณีโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้เราได้ทำให้เจริญแล้วมีอยู่จริงไม่ใช่หรือประวาทีใช่สั ก, กวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าพระโพธิสัตว์ยังลงสู่นิยามประพฤติปรมจันแล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่ากัสปะ นิยาโม ก, กันติกถาจบ